พระธรรมเทศนาจาดอกเรืองนางมากปินคำผูกติห้าเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปรียนธรรมภูปรยิยนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นาโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อะเทกติวะสังตปาโสโปทิสตังอามันเตสีสาทาวดุราสปุริตตังลายตังนิงใจหนุ่มเท่าตังสัตว h a เก้ากันทามีนานนำมวนหมูมานั่งอยู่ใหญ่ จุงแปลงใจเฮือมันอย่าคืดดันหัวควายการตั้งหลายน้อยใหญ่วางปงไว้ยังเฮือนยาคืดเฟือนหยาบยุ่งสติปุ่งไกลตัวจักป่ามัวมนเสาบ่อเก้าแนวเดาวบ่อสาวสืบสนบ่อต้นแหล่ปลายเต่าฟังได้แต่ใส่บ่อหอนได้เป็นยา อุดใจดาฟังทีเราจากักจีจากใครวิสัจนาไปติดต่อตามบาตรบาลีวะเทกติวะสังตาปโซดังนี้เป็นตนบัตหนีหลยนะอะเทกติวะสังยังมีวันหนึ่งใสเจ้ า, าตีไวราศีตนวัดนี้วิเศษจบแจ้งเปทรงายาน ไข่กําวานตานต่อสึ่งเจ้าหนอพุทธาวาดูราเจ้าบุญนาเฮยหนุ่มเนาวตามดังเจ้าไข่ปันแต่หลายวันเมื่อก่อนว่าบอไข่ซ่อนแต่งปิ้งกับสาวหญิงหลุมไตมาไข่ได้สาวสาววันไปแป้งปันรวมค้าง เป็นเจ้าจ้งางผาเพียงใจมันยังมีใจไฟหอยจากเอาหยอดซอยเมืองบนบอ่อใจค้นต่ำไตไปอยู่ไปห่อคำจุงตามกำเรากก่าวฮือหูข่าวบัดเดียวจุงรีเร็วไต่เต า, ตาขึ้นสู่เก้าปินคำเลือกยุกกำโซไซเหือเสียงไข่ตามมี ลูกได้ดีงามผ่องวันณะสองต่อตาจุงบิดมาอย่าจ้าวางต่อนาเราฟันเจ้าจอมฟันบุญใหญ่ฟังเจ้าตีไว้ราสีให้คำดีบอกกล่าวใจจืดเหี้ยวเลือลายรีพันภายไตเต่าขึ้นสู่เก้าปิ้นคำลูกนานำย่อนหอยตั้งใหญ่น้อยลายลาม พอดูงามเสีงยงไข่จักเลือกได้สันได้ยินยากใจนักแก่ซองตาแพ้และหาแต่สาขากิ่งเก้าทารับต่อเต้าไปเฟือยกอหลวดเลยหันใส่มากปิ้นใหญ่สุกเลืองวันนาเรืองว่าว่องรัฐจะมี่องโซฟาดูเปิ้งตาแต่ใส่รวยก็ใหญ่เหลือจุม เจ้าโมสุ่มแวดล้อมติ่งปอก้อมลงมาหนอพุทธาหน่อยนาทายเสียงขาดสงสัยยืนมือไปบิดใดย่อนลงใส่ถงป้าแล้วนำมาบอดจ่าวางต่อหน้าระสีใครว่ทีบอกเล่าฮือก้าตามไรก็มีหันเลยนะา ที่นันราศีตนวิเศษจบแจ้งเปดทดรงญานก็จะหวานต้านต่อวาดูราเจ้าน้อยหน่อบุญนำอันว่ามากปินคำนี่ใส ยุงเก็บใส่ถงป้ายาลสาพม่ายาเอยาตกลงกลางแดนดงเถือนทองจักโสกต้องมองขีดกันเจ้าบุญมีไปรอดในห้องยอดทางกาแห่งพระพิตาตนป่อก้อยมัางพอไปในจักรันรรีนองไว้ยอดซอยงามจื่นจ้อยเปิ่งแปลงเป็นกู้แฝงแห่งเจ้า แต่จาดเก่าเดิมมาบุญนำปาจากลากบอกฮือภาคเสียกันเป็นสาวสาวันฝากฝ้าคงแหลงล่าตาวัติงซาโดยไก่กาก้อยกาจากภาษาตรเมืองบนลงไพรสนปา่าไม้ทีจิ้มไก่สาลาเป็นโอป้าปาติกากำเนิดงามลำเลิดเลือลาย เอ้บ่อหมยเพียบได้ไข่โลกไตจุมพู ก, กันเจ้าบุญจูนอ่อน้อยใจจ้องห้อยเมือเมืองอย่าขี่เครื่องว่วงคองในเถื่อนทองดงไัยตัดอะไรยฮือขาดอย่าไม่มาดมองเงาบ่อใจเราจังตัวเจ้าฮือปอกเต้าขึ้นหลังเรานี่ยังหักคอด ดังลูกยอดสายใจเต้าปงอะไรเมียดไว้อเบกคาใดตามทำบุญบาปกรรมหลอดไข่จะทำใดหรือมีต้นหนอปูรีไข่ปอกจุงอายนาะ อ, อคืนเมืองแดดเตอ กันราศีบอกเล่าหูเก้าขีนยาหนอปุทธาบุญใหญ่หูแจ้งไข่ตา ม, มีก็อันจุลีกมเกา่าขาบโนเปล่าสามหนแล้วถอยตนคดออกมาไปนอกศาลาเก็บบุปผาดอกไม้วางใส่ไว้เนื้อขันนำไปปั่นบ่อจา้า วางต่อหน้าระสีอันจุลีใส่เก้ายืนขันเขาต่อตมขอเจ้าถ้ารงทมาภาัยโผดกดเวนโตดนานา <c oughs> ตาปัสสาผู้เทาหับขันเจ้าบุญมีแล้วไขวาตีปงขาดอนุญาตวางรมยังป่าปกักกรรมใหญ่น้อยฮือกาดก้อยหายซูน ขอหน่าบุญอันเจ้ามาอยู่เฝ้ารุมราจุงรักษาสงโยเฮเจ้าอยู่เจอยานเจ้าท่ารงยานกล่าวแล้วก็อสอนเจ้านอแก้วบุญมี อันจักนีเถื่อนทองไปสู่ห้องปาราเป็นผาญญาญยดใยยหญ่หื้อหู้ไข่กองทําเสสอนอนนาํำที่ถอยมีบ่หน้อยลายภาการก็มีหันเลยนะตามทาทังประกาศเสนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจง้ง พระจริงแสงเตสานวาวาทโคตาปสโโเอวังวัดปาสริญยาคุมมารังอนุสาสิตาดังนี้เป็นตน้นพิกาวดูราพิกโคส่ ง, สงตนทารงสินใสบอส่อเศร้าเจือโคดเงาอริยาสนตาปะสาบุญใหญ่หูแจงไข่าทารงยาน จาวานปงขาดอนุญาตวางต่ำยังป่าปักรมน้อยใหญ่เจ้าหนอไทยบุญลาแล้วซ้ำจาสอนกล่าวเฮ้ยเจ้าหนอเต่าบุญมีหัวแจงดีครบไขกองน้อยใหญ่โบราณว่าดุราราชาคุมมันเฮหนุ่มเนากันว่าเจ้าบุญมีจากดุงรีเถื่อนทอง ไปรอดทองห่อคำบุญจากนำนองเด้าได้เป็นเต้าห่อใจย่านีไก่รีดเก้ากองทำเก่าเดิมอ่อนว่าเป็นพระผู้ทอนยอดยาวนั่งแต่นเตาา้าผาเพียงใจฮอมีใจตั้งมันกึศ ด, ดนันตั้งดีเว้นลนันีจากบาป อันกายาปาลาคนตันหามักใหญ่ยาหือใดเตรียมคิงจุงแป้งปิ้งนักพาดผู้ฉลาดจบทองหูยังกองแบบเบ้าจารีดเก่าเดินมา ผู cities, lok, beach, ้นานาหนโลกผูว ja, ีโมกตั้งทำจักไขรกำต้านต่ออย่าดลอกล่อไหลหนเยวรีปนไผน้อยจักเกาวทอยเตียนขวัญกันจักปั่นก็ปั่นหื้อไข่กันจักใส่ก็ใส่ตามธรรมหากเป็นกำหลับลี่จักเกาวจี้ตามมา กันคนตั้งหลายดมเท่าอันอยู่เฝ้าอาสาคือปโรหฮิตาอามาตั้งนักผาตอาจารย์เสนาหันหัเท้ากันว่าเต้าอหอจันจักรังวันตกตอตามกาละรอดมีมาจุงฮือดาตกแต่งตามฐานะแห่งเขามันแล้วยืนปันเสียงไข่ อย่าเว้นไว้คนใดบทต่อไปนั่นใส่กันจักใส่ใส่ตามทำแม่นเป็นกคำเตือนบอกว่าอย่าเตี้ยหนอกกองต่างกันเจ้าหอกฟังยศใหญ่จักตกใส่ตันดักกรรมแก่คนอาธรรมหนุมเท่าใจบาปเศร้าป่าละพิษอาหญาแห่งเต้าอย่าโคดเฮ้าเครื่องขี่ ปิตารานาดีเสีงยงไข่จริงตกใสาตามร้ายถึงเป็นทายปีน้องเป็นเปืนเป่นป้องฟองสาเป็นเสนาหยดญ่อย่าเว้นไว้คนใดเจ้าสินใส่ตนวิเศษจบแจ้งเปิดทารงญานสอนสุรินยาคุมมาหน้อยหนอเป็นบท ต, ต่อตัวไป ว่าโบโหรานไขว่าไววตั้งแต่ไทยเหมือนมาเสือพี่ตาพ่อแม่สืบเท่าแก่อารุงว่ากันนอนสูงเือนอนคว่ำกันนอนต่ำเื่อนอนง่ายโบหร้านใหม่ว่าไห้จุงจำใส่มโนไหนบอกว่าไผยไตลาบุญแก่กาตัวตัน ได้นั่งหอจันภาซาส่วยราชธรงเมืองเตจเรื่องยศย้าวหรือเป็นลูกเต้าหลานพาญาเป็นเสนาอามายดยศสักอาจลวงลาล <c oughs> ข้าญิงใจบ่อไร่บ่อร้อนไม่เครื่องขี่หรือเป็นเศรษฐีมังเต้าย้อนบุญเก่าตั้งม้วนสมเพิงกวนสอดรู้กึศถึงหมู่คนใน อันอาศัยห่มเก้าว่าเขามอนเศร้าเครื่องกาหรืออนาถากันอยากตกลำบากมองผ่านหรือสำรานจุผู้คำเจ้าอยูส่สดสดีบอกเครื่องขีหมอนเศร้าผู้เป็นเก้าโปสระไรกวรและไปสั้นพอหฮือแจ้งต่อตาตนกันเข้าตารนร่อนไมุ่กอยากไรเดือลาย จุงของควายจวยกำเฮหลวงลำมองผ่านกันเข่าสำรานจู่ผู้จุงจื่นสู้ตัวจอมเป็นบุญร้อมมาเกเต้าเอตัวเกา้าสดสดีในยาหนึ่งมีบอกไว้ว่าเป็นเต้าไทยสวยเมืองเตะจะเรื่องยศแยวภาพไข่าดาวดินแดนอย่าดูแขวนไผ่ไตหันตัวได้เป็นดี เขาของมีมากเต้าบ่อโศกเศร้ากังวลอย่าดูแขวนคนกันอยากตุกลำบากอนาถาาจุงปิจารณาตด้อแต่ก้ารอดถึงปลายว่าเขาตั้งหลายตุกอยากย้อนบิบากปาปักรรมได้กระตัมจัดก่อนมาไหลาตอนต่อจนจริงตารุนเดือดร้อนตุกทางคอนมองเหงา ส่วนตัวเรานั่นใส่บุญเก่าใดมาปานจริงสำมราญจื่นจ้อยบ่ตำกคอยขี่มองกวนทารีปองก่อสร้างหือบุญกวางยาวไปพิดจารณาในดังนี้โบรันที่นำจูงว่กกันนอนสูงหือนอนความจุงกิดรำขึ้นวันยังแถมอันหนึ่งใส่ ว่านอนต่ำไตเฮือนอนง่ายโบราณใหม่บอกไว้จุมไัยไตโยธาตั้งเสนาอาหมาดควรคืดขวาดถึงกุนต้าอต น, นนสงยูฮือตัวโยศัตดีการได้มีน้อยใหญ่คำรับใจจูพักการจุมค้นผ่านอยากไรคนิ่งไข่คนมี ว่าเขาเป็นดีมังเตา้าย้อนบุญเกา่านำ ม, มากวรเราราใหญ่น้อ ย, ยาาอย่าละปล่อยตัางทำควรเว้นกรรมบาปการอยบาบจะปลาปิจารณาจนะใจเชื่อว่าไตา่ต่างนีเจ้าราสีตนวีเศษจบแจ้งเปทธรงยานสอนสุริยาคุ้มมันน่อนเน า, น า, นา มีหมากเต้านานาแล้วซ้ำจากกาถอยบอกเจ้านอน่อยบุญมีว่าหมากปินดีนี่ใสจุงเมียดไว้ตามกำย่าดงลำผามัง <c oughs> กางปากวางดงดอนจักอาวนอนโศกเศร้าฮอนไม่เอาหอระไทจุงมอดใจดันกว่าพ้นจากป่าถึงเมือง แห่งเต้าบุญเรืองตอนป่อก้อยพาพอตามกำขอบุญนำนอกไทยสมใจไฟภาธนาได้เป็นพาญาเจ้าจ้างตั้นเล่าอ้างถึงเมือง เทจะเรืองหล่แหล่ใดผาแปะมันไผโรอกาไดใหญ่น้อยยาจองหอยกาญยาอยู่ตีค้าเตียงเต้ายารีบเข้าเมื่อมอนแดตดวันเมื่อนั้นเจ้าเจียงจันสุริญยาคุมมานกันเจ้าทารุงญาณบุญใหญ่ก่าเสียงไข่สุดายก่อนยอมือภายต่างเก่านกน้อมเล่าสามตี เอามากปินดีลูกใหญ่ป่นเข้าใส่ถงฟ้าถอยออกมาไปนอกถึงค้างขอบอาสะรมเจ้าอดมบุญใหญ่คือเจ้าตีไว้ราศีขุนดามีลายลากรีบออกจากศาลาตวหลังมาส่งเจ้าจี้บอกเล่าตั้งไปเจ้าใส่ใจน้อยนอเหลียวหลังพอลายตี โสกามีบ่น้อยน้ำตายย่อยไหลลงยกเอาธงห้อยบารีบดดันป่ามาเมืองเกามีหันแลยนาโสสสริยอันว่าสสริญาคุมมันนอเนานอพระเจ้าหยอดมูนีจากระศีบุญใหญ่ดันป่าไม้ดงดอน คำก่อ น, อนยังจอแจ้งแล้วสอดเตียวไปนกในภายลายลาคือนกจากภาคงสานกปะทตาเป็นหมู่นกเกาอยู่ปอมเพื่อนกป่อเฮยปู่ตนร้องสาสนเรีองนั้นนกเขาคันสาเซ้านกเอียงเก่าเป็นกรรมนกและคำและอิน นกเข้ามินหวัวขวานนกแซลหานภาบไดยังกาใหญ่ตัวดำนกยุงคำแอนฟอนนกคุมซ่อนปอมใบนกในภัยป่าไมมีบ่อไรเดือลายลพองตัวไาลสซจำพองแดงกำข้าวเลืองร่องดันเนื้อมีกองมีจูหหองดองดำเจ้าบุญนำฟังแล้ว ใจพ่องแพวใจบ้านดันดงดานป่าไม้เอาสื่อไห้เป็นหมยสัดไ ร, ร่าลายใหญ่น้อยบ่จ้องห้อยบินฟีกือราจ์สีแแะจ้างเขาเว้นห่างตั้งเจ้วพ่องยื่นเดียวแลฟ่ฟอพ่องเล่นล่อมาจูหนอสะพันอยู่หนุ่มเนาดันป่าเศร้าดงนา เจ้ารักษาเมียดไว้ยังลูกไม่ปินคำบอลืมคำบอกเล่าแห่งตันเจ้าราสีอดคันตีไห้มันบุบุญดันดงตันลหลคืนวันแต่ใสาดารอดไกเวียงใจแห่งสาสใจพ่อแม่นับอันแท้วันเดียวก็จากเดียวไปรอดถึงห้องยอดปูรี เจ้าบุญมีหิวหอดก่อนยังจอดเสานอนกลางดงดอนป่าไม่วอกลางไตไปเฟยรอ้องเว้ยเว้ยหาจู้ว่าไปอยู่แดนใดนกในพลยลายหมูร้องท้องอยู่นั้นเรื่องตนบุญเรื่องน้อยหนาตั้งภาษาหูฟังล่างพ้องดังเป่งโป้ยเป็นดังทอยกำคน ดังสะสนสะสูดังคนอูจากันว่าเจ้าจอมควันยอดเหี้ยวลูกแข่งเต้าหอดใจเอามากปิ้นใสหน่วยใหญ่ปนเข้าใส่ถุงปลาแล้วเตียวมาจะใจย้อนมักไฟใจวังไครได้ยังนางแกวงามเลิศแล้วนำนาตามตาภาษาผู้เท่าหากบอกเล่าไข่ปัน ว่าสาวสาวรรค์แสงสวยอยู่ในหน่วยปิ่นคำย่ารีบกำผามาังกลางปากวางดงดอนถึงนาคอนต้นปอก้วยผาพ่อไปในหนอหอใจดมเดาบ่าหูเก้าอุบยเป็นมากปินไดแต่ใสเหตุเจ้าตีไวราสีไข้หืดปิกปอกไหวนาออกขึ้นมา สันได้จาเจ้าหนอจริงหูหมอฟังเบาตนกินเลา่าน้อยหนาดขะนิ่งขวาดในใจว่านกได้ไพ่มวมลหมูสั่งมาอูเป็นกมหรือผีดงดำเถื่อนทองืฮปปะป้องสัญญาหรือคูนีนาดันป่ามาเหมือนกว่าหูวังเจ้าก่อฟังแถมเรา ก็เหมือนเก่าเดิม on, อ้อนนกดงดอนมวนหมูยังร้องอยู่เป็นายว่ามากปินได้มากปินได้แต่ใสเจ้านอไทยขนิงในว่าเจ้าสินใสบุญใหญ่จบแจง้งไขทารงยานอยู่ดงดานป่าเศร้ากูอยู่เฝ้ารุมรา เองเหมือนมาบอ่อ้อยตันอ่วงหอยแปลงพันเวทมนยันองอาจสิปัาสสัดกุณนำเจ้าทารงทมสอนไข่บอ่อเว้นไว้อันใดจักจาใครปังเป่ามูสาเหล่าหรือมีนกดงดทีเถือนทองพ้อเอมาร้องเป็นสายว่ามากปินได้มากปินได้บอ่ยอย่อนบ่อู่พนเศร้าซา สันได้จ้ามันหูว่ามากปินอยู่ในทงกู้เดินดงป่าเศร้ามาจากเจ้าระสีจากไปปุรีป่อเจ้าอันอยู่เฝ้าหอ่อคำแม่นดังคำมันกล่าวมันหูข่าวสันได้นอห่อใจหันลากบอจ้างป่ากับไผคขึ้นในใจขึ้นหล่องว่ากันไปรอดห้องผังกา แห่งพญาตนป่อแล้วพาพอไปในบ่มีนงไว้หนุ่มเนาดังกำเล่าปันหมยกู้เตียงไอเผิดดนาบ่จ้างกว่าแดนใดกวนกูไข่ผ้ามังกางปากวางดงรีมีบ่มีก่อแล้วฮือกาดแก้วสังกาวันนี้นาดาคำดอกน้อยคำหากอน วันกูนอนยังจอดหื้อหิวหอดไม่หายถึงยามง้ายวันผูกก็อยพาลูกปินคำนอคุณทำยศใหญ่ขึ้นขวาดใดในใจก็ อ, อาะไรนอนจอดตีบนยอดเฟือยหนาใจเวว่าบ่อน้อยเดึกแล้วมอยหลับไปก็มีฮันแลนาะ กุนาตีวาเสนในวันลุนรุ่งแล้วเจ้าหนกแก้วบุญนาพิจารณาเสียงไขว่าหนตั้งไตเตียวไป <c oughs> บอปกปูอไก่นักว่าแม่นมีนางฟ้าสาวสีชมงามดีลายหลากอยู่ในหมากปิ่นคำเป็นดังกำบอกเล่าแห่งตันเจ้าทรุงยาน จากป่นองคานนาไทายก้เอยเตี้ยวไตภผายพันยังบ่ตั้นจะคำเตียงถึงพร่มยำดีบ่ร้อนมีผายร่มาต้องพายต่อจนถึงเป็นคนหยาบจาหรือสั์ป่าเสือสิงจักมาจริงกันกับกูจักภาพแต่งฟัน เวทมนต์ยันองอาจสิ ป, ปัสสานนานากูเหียนมาหลายแหล่เตียงผ้าแปดดีลีกันบ่มีนั่งอ่อนงามจะจนเปืองแปลงมาแอแฝงแสงสวยอยู่ในหน่วยปิ่นคำเป็นดังคำตกค้องแห่งนกเทือนทองตั้งลายบากปิ่นได้แต่ใสจักลไว้ดงดอน กันเดินจอไปรอตีห้องยอดพังกาบอไขจากกาอูฮื้อแกผู้คนได้หนอห่อใจหน่อยหนาดไขฮื้อขาดสังกา มีน้ำนากลายลาก็จกมากปินคำลงวางตั้มส่งนาเอาดาบกาสนีกันใจต่อยลงไปบ่าจ้ามากปินแตกอาบัดเดียวก็มีหันและนตะตะตานันตารังกันมากปินคำแตกอาก็มินางนาลาโซฟาพดออกมาแต่ใส่ขึ้นใหญ่ได้เร็วไว วันน่าใส่จะจ่อนเนื้อเกียงอ่อนเปิงเป้าใหญ่เต้าสาวลุมไตอ่านอยู่ใดสิบหกปีชมงามดีหยดแงมสองฝ่ายแกมเพียบผิวคำแล้วไข่กำตานเหล่าว่าสันได้เจ้าบุญดาบอคุณนาตัวคาป่าดันป่าถึงเมืองหรือยินเคืองนักหนองบ่อหักหนองปินคำ <c oughs> พิงวางตําผ่ามังกางปากวางดงรีเพื่อจักนีตัวขาลัดดันป่าเมื่อเมืองกันเจ้าบุญเรืองยดใหญ่บ่อมักไฟปิญญ า, ญาบ่กวนป่าขาน้องดันเถื่อนทองมาไก่กวรตัดใจลาไว้กับเจ้าตีไวระสีขาจักนีปอกเตาคืนติเก่าป้ายหลัง บอกหูยังตั้งใจจักปอกได้สันได้่อห่อใจเป็นเจ้าหันสาวนุ่มเนาโซฟาผ้ากุดมาต่อนางามเงือนฟ้าสาวสาวรรค์ห น, น้าตามันจืน่จ้อยไครกกาวทอยวอนหูนอบุญจูสาลังสติปังเววาวาสันได้จ้าดังอีราศีจีปันไม้ บอกอุบายเป็นแก่นเทียนย่อมแม่นตามคำเจ้าบนําน้อยนอจริงตานต่อกำนางว่าดูราสะนีคิงบังล่อเบาปี่หักเจ้าเหลือลาย ได้ผันภายไปรอถึงเจ้ายอดระศีกลางดงรีป่าไม้เพื่อใครได้สาวสาวันดไปแป้งพันแนบข้างเป็นเจ้าจ้างผาปุรีนาบุญมีแต่ไทยปี่จริงได้นางมาสมภาธานาะไฟห้อยบ่อกาดก้อยเสียลายปี่บ่อไม้ละตอดยังแก้วยอดนารี บอ่อกึดหนีผากนาบุญดันป่าเมื่อเมืองเรือนองเครื่องตำก้อยว่าเป็นสาวน้อยเมืองสวรรค์บ่อแป้งปันฝ่ายหอยกับใจถอยเตี่ยวดิน <c oughs> จิงอาจินคึดเหล่าจากปอกเตาขึ้นไปอยู่ดงไพ่ป่าไม้กับเจ้าตีไวราสีปียินดีส่งน้องไปรอดห้องอาสลม เจ้าอดมยอดซอยกอตานถอยไข่จากสลีกัญญาหล่อเบาแต่เก้าถึงปลายด้วยปริยายทวนทีพอมีตีสงสัยสลีนงไวงามอาจตรือนางนาฏปินคำก่อไข่กำตา้านต่อสึ่งเจ้านอบุนภายมีมากลายบ่น้อยสองตอบถอยจากกัน ใจมันจมจืนหัวอกตื่นยินดีกลางดงรีป่าไม้บอ่อเกิดไข่อันใดทัดนันไปไปนาเจ้านอลาสุริยักุมารก็ปาสรีนงคานหน่อเนาดันป่าเศ้าดงตันเปืือภายพันไปสู่ยังตีอยู่เวียงใจก็มีวันนั้นและนะ เนตตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนางมากปินคำผูกทวนหา้านอเจ้าฝ้าหอจันป้าสาวสาวันนาไทายลัดป้าไม่ดงดอนเปืือเตียวจอนไปสู่ยังที่อยู่ปาราจักไก่กาไปรอถึงห้องหยอดเวียงใจ เือมีไัยมาตองหือสองปีน้องเครื่องกากันกังาคาไข้หูจุงอดอยู่ฟังไปพวกนี่ไขรเต่าอีเต่านี่วาดวางลงก่อบังก้มสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนและ